ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐา น, นะคะ่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพเจ้าทุกคนได้มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ได้มีโอกาสที่จะนมัส ก, การพระองค์ร่วมกันได้ยินได้ฟังถึงเรื่องราวของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอมอบเวลานี้ให้อยู่ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในวาระดีขึ้นปีใหม่ให้ครอบครัวสดใสใจสุขสันทั้งปลองดองรักใคร่ใจผูกพันร่วมช่วยกันทุกสิ่งอย่างจริงใจโบทนาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราปีเก่าหมดไปแล้วนะคะ2016นะปีนี้ปี2000อะไรนะค ะ, ะเก่งมากนะคะปี2017นะคะ ถ้าเราย้อนอ น, นับดูพระพรอของพระเจ้านะคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อว่าเราไม่มีวันที่จะนับหมดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระพรอของพระเจ้านั้นมากมายเหลือเกินนะคะเมื่อปีเก่าหมดไปนะคะหลายคนมักจะบอกว่าทําไมมันถึงผ่านไปเร็วอย่างนี้นะคะสิ่งที่เคยคิดทําสิ่งที่เคยฝันไว้ตั้งแต่ต้นปีพอถึงโมกาาคนมาเป็นไงคะก็ฝันไว้ว่าอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า ทำไม่สำเร็จเลยนะคะอันนี้ก็สิ้นปีแล้วปีใหม่แล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเลยนะคะเมื่อมาถึงวันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่นะคะหลายคนขอบคุณพ ร, พระเจ้าที่ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาอย่างคุ้มค่ามากนะคะแต่หลายคนเสียดายเวลาที่สูญเสียไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์นะคะปีใหม่เราทั้งหลายก็คิดที่จะทาสิ่งใหม่ๆะคะ่คิดใหม่ทาใหม่ะคะหลายคนมักจะตั้งเป้าหมาย ที่จะทําไว้มากมายนะคะแต่จะมีสักกี่คนนะคะที่สามารถเดินแล้วก็ทําไปถึงเป้าหมายนั้นได้มีหลายคนก็ล้มเลิกนะคะระหว่างทางเนาะระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะหรือว่ามีหลายคนที่หมดกําลังใจนะคะบางคนเนี่ยเดินเดินท่ามกลางปัญหาแล้ว รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะแ ต, แต่สําหรับคริสเตียนเรานะคะเราเดินไปกับพระเจ้านะคะเราเดินไปกับพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานุเอลนะคะทรงสถิตยอยู่กับเราพระวาสนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะคะที่ผู้นําได้อ่านไปเมื่อสักรครู่นะคะอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาสิบอข้อที่หนึ่งถึงปนะคะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร น, นะคะเพื่อนําพระพรไปสู่ผู้อื่น นั่นคือชนชาติอิสราเอลนะคะเมื่อครั้งที่อิสราเอลตกเป็นทาสที่อียิปต์นะคะเขาต้องทนทุกข์ทรมานต้องทํางานหนักนะคะเป็นทาสหลายร้อยปีนะคะแต่พระเจ้าทรงรักเขาค่ะความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะคะพระเจ้าทรงให้โมเสสค่ะพระเจ้าให้โมเสสที่จะนําเขาออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์และมุ่งหน้าสู่ดินแดนพันธสัญญานั่นก็คือคนาอันนะคะแผ่นดินคนาอัน เมื่อเขาอพยพจากที่นั่นเนี่ยเขาเจอปัญหามากมายนะคะตั้งแต่การข้ามทะเลแดงนะคะเจอน้ําขมต้องเหนื่อยกับการเดินทางนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําให้ดื่มแต่พระเจ้าก็ยังให้น้ําเขาดื่มจากน้ําขมนะคะพระเจ้าก็ให้ไปเอาต้นไม้โยนต้นไม้นั้นลงไปในน้ําขมน้ําก็จืดแล้วก็กินได้นะคะเดินทางไปอีกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยบ่นกับพระเจ้าบ่นกับโมเสสแต่พระเจ้าบอกว่าให้ใช้ไม้เท้านั้น ตีที่หินนะคะแล้วน้าก็ออกมาจากหินนั่นคือความรักที่พระเจ้ามีให้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะบ่นต่อว่าพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ยังรักเขานะคะยังช่วยเหลือเขาโมเสสได้ใช้เวลาในการเป็นผู้นำเนี่ยจนถึงบั้นปลายของชีวิตนะคะพระธรรมที่พระธรรมที่เราอ่านที่ผู้นำอ่านไปนะคะเป็นตอนที่โมเสสเองเนี่ยรู้ตัวว่า ตัวเองจะต้องตายนะตัวเองจะต้องตายเพราะว่าอายุมากแล้วแต่ในพัมพีนะคะได้บอกว่าโมเสสนั้นยังตาดีอยู่นะคะยังตาดีอยู่กำลังยังเหมือนเดิมแต่ท่านคงรู้ว่าท่านขาดกําลังที่จะนําชนชาติอิสราเอลเนี่ยบุกยึดครองบุกยึดครองอ๋อคนาอันนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยไม่ได้เข้าในแผ่ น, นดินคณาอันเหตุเพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือผู้นำเชื่อต้องหาคนที่จะมาแทนเขานะคะการหาและฝึกฝนคนอื่นมาเป็นผู้นำแทนตัวเองนะคะคเมื่อโมเสสโมเสสขอพระเจ้าใช้คนอื่นมารับหน้าที่แทนเนี่ยพระเจ้าส่งใครคะเมสสิคที่เราอ่านไปที่ใครนะคะ เก่งมากค่ะโยชูวนะคะพระเจ้าส่งโยชูวาซึ่งเป็นคนสนิทของโมเสสเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจนะคะเป็นหนึ่งในคนสดออสอดแนมของอิสราเอลนะคะเป็นคนเดียวที่โมเสสเนี่ยพาขึ้นไปบนภูเขาเด้วยนะคะโยชวาได้รับการแต่ ง, ต, งตั้ง ต, งต่อหน้าปุโรหิตแล้วก็ฝูงชนอิสราเอลพระเจ้าแล้วก็โมเสสเนี่ยได้กำชับเขาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าผ e right ู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้านะคะโยชัวเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าได้วางเป้าหมายให้กับเขาเป้าหมายของเขาก็คือการทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จนะคะและต้องเดินตามเป้าหมายนั้นความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของเขาเองแต่ว่ามาจากการที่เขาเนี่ยเดินไปกับพระเจ้าคะความสามารถนั้นคือการที่เขาเดินไปกับพระเจ้าเราทั้งหลาย ก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราทุกคนมีเป้าหมายตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราได้ทําเป้าหมายของเราสําเร็จหรือ ย, อยังคะให้เราตอบตัวเองในใจนะคะว่าเราได้ทําเป้าหมายของเราสําเร็จหรือยังแล้วเราเดินกับใครคะเราเดินกับใครเราเดินด้วยกําลังของตัวเองหรือว่าเราเดินกับพระเจ้าซึ่งไม่แปลกนะคะที่หลายคนตั้งเป้าหมายตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคะ ก็ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะคะให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยรับใช้พระเจ้านะคะรับใช้พระเจ้าเดินกับพระองค์นะคะเมื่อเดินไปข้างหน้าเนี่ยวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันอยู่3ประการนะคะเดินไปข้างหน้ามีอยู่3ประการก็คือ1นะคะ เดินตามการทรงเรียกนะคะเดินตามการทรงเรียกในการดานวิธีบทที่27นะคะข้อที่18ถึง23เดี๋ยวข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะคะ PowerPoint คะโอเคนะคะการดานวิธีบทที่27ข้อที่18ถึง23นะคะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะคะอยู่บนจอนะคะหนึ่งสองสาม จงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีปัญญายู่ฝาภายในเขามาจงเอามือของเขาวางบนเขาตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาบุโลหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าชุมนุมชนเจ้าจงให้เกียรติยศอย่างเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขาและเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาบุโลหิต ผู้ซึ่งชูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูลิมต่อพระเจ้าและคนทั้งปวงจะออกไปและเข้ามาตามคําของปุโรหิตทั้งเจ้ากับคนทั้งปวงในอิสราเอลนั้นคือชุมนุมชนทั้งหมดและโมเสกระทําตามที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านท่านจึงนําโยชูวาให้มายืนต่อหน้าเอเลซะและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด และท่านเอามือวางบนโยชูวาและกำชับเขาตามที่พระเจ้าตาสั่งทางโมเสสเมื่อโมเสธทูลพระเจ้าว่าใครจะมารับหน้าที่แทนพระเจ้าส่งโยชูวาผู้ที่มีพระวิญญาณอยู่ภายในนะคะที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำแทนไดแ้แต่งตั้งต่อหน้าปุโลหิตนะคะเม่อสุีเรอ่านไปต่อหน้าประชาชนแล้วก็วางมือแล้วก็กล่าวกำชับด้วยนะคะ เมื่อโยชูวาถูกเรียกแล้วก็แต่งตั้งเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็ทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกอย่างเต็มกำลังนะคะเขานำกำลังบุกเข้ายึดครองแผ่นดินคณาอันตามคำสั่งของพระเจ้านะคะเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกประการนะคะพี่น้องคะพระเจ้าเรียกเราให้เป็นลูกของพระองค์นะคะพระเจ้าเรียกเราให้เป็นลูกของพระองค์ให้ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์แล้วทุกวันนี้เราได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วหรือยังคะ พระเจ้าเรียกเราให้เป็นพ่อเป็นแม่เราทำหน้าที่นั้นเต็มกำลังแล้วหรือยังพระเจ้าเรียกเราให้เป็นลูกเราได้ทำหน้าที่นั้นเต็มกำลังแล้วหรือยังพระเจ้าเรียกเราให้ดูแลงานของพระองค์เราทำหน้าที่นั้นเต็มกำลังแล้วหรือยังมีเนื้าหาเรื่องหนึ่งนะคะเป็นพูดถึงแม่ไก่หนูแล้วก็กระต่ายนะคะซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันคะ ในบ้านหลังหนึ่งเนื่องจากพวกมันเนี่ยช่วยกันทํางานนะคะพวกมันจึงมีความสุขกับการที่ได้ทํางานร่วมกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะกระต่ายเนี่ยมีหน้าที่ปรุงอาหารนะคะไก่มีหน้าที่ที่จะหาฟืนหนูมีหน้าที่ที่จะตักน้ําจากลำธาร น, นะคะทุกตัวล้วนทําหน้าที่ของตัวเองด้วยความศรัทธาะคะอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ไก่กําลังรวบรวมฟืนนะคะก็มีกาเจ้ากี้เจ้าการตัวหนึ่งเนี่ย มาคุยกับแม่ไก่แล้วก็ถามแม่ไก่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ทันทีที่ไก่ตอบออกาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำงานหนักสุดเลยนะเมื่อแม่ไก่กลับบ้านไปนะคะเขาก็ไปพูดแล้วก็อธิบายให้ฟังว่างานที่ฉันทำอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนักมากเลยเราลองมาแลกกันดูไหมนะคะเราลองมาแลกกันดูไหมความไม่พอใจของแม่ไก่นะคะทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องยอมที่จะแลกงานในที่สุดนะคะ กระต่ายเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปหาฟืนแต่เมื่อมันกระโดดเข้าไปในป่านะคะก็ถูกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยขมือกินจนตายเลยนะคะทางด้านแม่ไก่เองเนี่ยขณะที่นำนำถังนะคะไปตักน้ำในลำธารก็พัดตกน้ำจมตายเลยนะคะส่วนหนูซึ่งรับหน้าที่ปรุงอาหารนะคะมันก็คนซุปหม้อใหญ่ะคะมันก็ถือซุปคนซุป ก็พลาดตกลงไปในหม้อซุปนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ทั้ง3ตัวนะคะก็ไม่เพียงแค่หมดความสุขแต่ว่าหมดชีวิตด้วยนะคะก็เรื่องนี้สอนให้เรานะคะรู้ว่าการที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของเราอย่างเต็มกําลังเนี่ยหลายครั้งเรามีเป้าหมายที่ตั้งไว้แบบดีมากแต่เราเดินไปไม่ถึงเพราะว่าอะไรคะเดินผ่านไปบ้างเดินข้ามไปบ้างหรือว่าไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าะคะ ขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะให้เราทําหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราเนี่ยอย่างดีที่สุดนะคะและเราก็จะถูกเรียกได้ว่าเป็นการตอบสนองการทรงเลือกของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะประการที่สองนะคะประการที่สองเดินด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญเดินด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญความเข้มแข็งและกล้าหาญนะคะใน ในภาษาพมพีเนี่ยใช้คำต่างกันเช่เข้มแข็งกับกล้าหาญแต่ความหมายเหมือนกันนะะแต่ความหมายเหมือนกันนั่นก็คือความมั่นคงเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่เข้มแข็งแล้วก็มีกำลังนะคะพระเจ้ารู้ว่าโยชวเนี่ยจะต้องบุกยึดครองด้วยการลบนะคะและต้องมุ่งสู่ดินแดนที่ไม่รู้จัก จะต้องไปสถานที่ใหม่ๆจะต้องเจอศัตรูใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบนะคะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างการนําคนทางประเทศนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายความคิดหลายอารมณ์หลายความรู้สึกนะคะหลายความต้องการแต่ท่ามกลางสิ่งที่หน้าท้าทาย พระองค์ทรงปลุกใจนะคะพระเจ้าทรงปลุกใจเขาบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่า ก, กลัวหรือขยาดเลยเพราะผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์จะสถิตอยู่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านเลยนะคะในพระมหี์ได้บันทึกไว้นะคะหลายครั้งที่เราต้องเจอกับปัญหามากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาในคริสจกักรหรือว่าปัญหาที่ทํางานของเราโรงเรียนหรือมาหาลัยนะคะ ให้เราที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรานะคะเมื่อโยชูวาเนี่ยเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายเจอกับปัญหาเขาทูลต่อพระเจ้าค่ะเขาร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วมีกี่ครั้งคะที่เราได้ทูลต่อพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาลองถามตัวเราดูนะคะเราเลือกได้ว่าเราจะจดจ่ออยู่กับปัญหาของเราหรือว่าเราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้เป็นคําตอบนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่อยากคุยกับคนอื่น ไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากอธิษฐานไม่อยากเจอหน้าใครนั่นเป็นสัญญาณว่าเรากำลังละสายตาจากพระเจ้าเรากาลังละสายตาจากพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่ปัญหามากกว่าที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะคะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความหมดหวังท่ามกลางความสับสนพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคาตอบนะคะ ดอกเตร์จำกรชาวรัตนะคะได้บอกว่าคิดไม่ออกบอกพระเจ้านะคะคิดไม่ออกบอกพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาเราบอกกับใครไม่ได้ให้เราบอกกับพระเจ้านะคะไม่เหมือนกับมนุษย์นะคะเวลาบอกเป็นไงคะคืจะเอาไปพูดต่อๆกันใช่ไหมคะเราก็รู้เนาะในสังคมเดียวนี้นะคะแต่เราบอกกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวพระเจ้ายังมีวิธีที่จะช่วยเราด้วยนะคะและเชื่อว่าพระเจ้าจะบอก บอกออกับโมเสสแล้วก็โยชูวาและบอกกับเราทุกคนเหมือนกันนะคะว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเดินกับพระเจ้าค่ะเดินผ่านเดินผ่านปัญหากับพระเจ้าเดินสู่ปีใหม่ไปกับพระเจ้าค่ะไม่ต้องบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องบอกว่าปัญหาของคุณเนี่ยใหญ่ขนาดไหนแต่จงบอกว่าแต่จงบอกปัญหาเรานั้นว่า พระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่นะคะจงบอกปัญหาเหล่านั้นว่าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่ขอเพียงที่เราจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเดินด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญนะประการที่สามนะคะเดินอย่างรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเดินอย่างรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเมื่อโยชูวาลับหน้าที่ในการนําประชากรนะคะสิ่งที่เราเห็นจากชีวิตของเขาก็คือพระเจ้าตรัสกับเขาและเขาก็เชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นสิ่งเดียวที่แสดงว่า เขาเดินอย่างรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยคะเดินอย่างรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยชีวิตของยูชัวเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะเพราะเขาเห็นชีวิตของโมเสสคะเห็นชีวิตจากโมเสสท่านมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและมั่นใจว่าการรบนั้นไม่เพียงแต่เขารบด้วยตัวเขาเองแต่เขารบไปกับพระเจ้านะคะพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาหลายครั้งเราทําตัวเองแบบเหมือนไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะหลายๆครั้งเนาะ มีเรื่องเรื่องเป็นเป็นเรื่องตำนานของอินเดียแดงนะคะเผ่าเชโรกีนะคะลองลองไปเสดูนะคะเผ่าเชโรกีนะคะเกี่ยวกับพิสูจน์ความเป็น เ, เป็ น, เ ป, นเป็นชายเต็มตัวของเขานะคะพิธีมีอยู่ว่าพ่อของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะจะพาเขาเข้าไปในป่าแล้วก็จะปิดผ้าปิดตานะคะและห้ามให้เขาเปิดผ้าปิดตาจนกว่า พระอาทิต์จะขึ้นนะคะตลอดทั้งคืนเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในนั้นนะคะอยู่ตลอดทั้งคืนและเขาจะต้องไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะคะห้ามขอความช่วยเหลือจากใครเ <c oughs> มื่อผ่านคืนนั้นไปได้เนี่ยเขาจะเป็นลูกผู้ชายแบบเต็มตัวแต่มีกฎอยู่ว่าเขาห้ามเล่าประสบการณ์นี้เนี่ยให้กับใครฟังเด็ดขาดนะคะเขาห้ามเล่าประสบการณ์นี้ให้ใครฟังเพราะว่าการที่จะนำไปสู่ความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างเขาจะต้องผ่านกับ สถานการณ์ต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือพิธีของเขานะคะและในคืนคืนนั้นเองนะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาก็ไปพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายของตัวเองนะคะและเขายังเขาไปนั่งอยู่บนตอไม้ในป่ามืดๆะคะ่ะปิดตาแล้วก็เสียงโอโ้โหน้านากลัวนะคะเสียงหน้ากลัวเขาก็ นั่งอยู่บนตอไม้แบบสั่นนะคะเพราะเราก็กลัวใชเวลาเราอยู่ในป่าเนาะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็จะมีสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรใดๆเข้ามานะคะพอผ่านพ้นไปตื่นเอ่อพอแสงอาทิตย์ขึ้นนะคะเขาก็เปิดผ้าปิดตาออกและวเขาก็มองไปข้างๆแล้วเขาก็เห็นว่าพ่อของเขาอยู่กับเขาตลอดทั้งคืนนะคะพ่อของเขาอยู่กับเขาตลอดทั้งคืนนี่ทําให้เราเห็นถึงความรัก ความผ่องใยของพระเจ้านะคะที่มีต่อเราพระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราต้องอยู่คนเดียวแม้ว่าเราไม่รู้ตัวนะคะแม้ว่าเราไม่รู้ตัวพระองค์เนี่ยเฝ้าดูเราอยู่นะคะตลอดเวลาพระองค์ทรงเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์นั่งอยู่ข้างๆเราเมื่อเรามีปัญหาอย่าเพียงเพราะว่าเรามองไม่เห็นพระเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเรานะคะเพราะชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตามองเห็นนะคะ ปีใหม่นี้เราเลือกจะก้าวเดินแบบไหนคะเราก้าวเดินแบบไหนเราจะเดินเหมือนทุกๆปีหรือเปล่าเดินกับปัญหาเดินกับความล้มเหลวเดินกับความพ่ายแพ้เดินถอยหลังเดินอยู่กับที่หรือว่าเราจะเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าถ้าเราเลือกเดินของถ้าเราเลือกเดินกับพระเจ้านะคะขอให้เราเลือกเดินตามการทรงเรียกคือเดินการคือการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกาลัง ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกําลังเดินด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญคือจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าคะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเดินอย่างรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยคือติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเราจะดูแล้วเราจะเดินอย่างมั่นคงนะคะฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างมั่นคงเพราะเราเดินกับพระองค์ <bage> พระองค์จะบอกกับเราทั้งหลายว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญนะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญ ขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะให้เราที่จะเดินไปกับพระเจ้าเดินด้วยความมั่นคงไปกับพระเจ้านะคะเดินไปข้างหน้าเดินแบบรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วยะค ะ, จะเจริญสุขสวัส ด, ดีขึ้นปีใหม่ประสบชัยประสบโชคฉลกสีนิรุตุขทุกทิวาทุกราตรีบารมีองค์พระคริสติถิครองขออวยพรจากใจปีใหม่นี้สิ่งใดดีจงสมอาภรณ์ อารมณ์ผองสิ่งชั่วร้ายห่างไกลสมใจปองเกียรติเงินทองไหลามาเหมือนวารีขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราตลอดทั้งปีใหม่2 0 1พันสิบเจดนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ